ฉันเริ่มฉูกใจเมื่อเห็นสติเริ่มไม่ค่อยทำงานกับภาวะที่เป็นปัจจุบันคอยเฝ้ารอแต่ว่าเมื่อใดจะถึงจังหวะเหมาะหลีกเบรนจากภาระหน้าที่มีกำลังจิตรพร้อมจะสร้างเหตุแห่งความว่างไปไปมามาฉันก็ไหวทันว่ากำลังติดใจภาวะว่างเทีย ม, ม, มเข้าให้แล้วความว่างแบบนี้เริ่มเกิดขึ้นจากการเห็นความเกิดดับก็จริงแต่มีความจงใจกระทาจิต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 นั่นเป็นเพียงภาวะจิตอย่างหนึ่งไม่ควรยินดีไม่ควรฝากจิตฝากใจไว้กับภาวะนั้นอันเป็นเหตุให้เกิดความอ้อยอิงอาวรณ์เป็นตันหาอันละเอียดเป็นต้นต่อให้ต่ออุปาทานขันห้ายืดยาวไปอีกยั่งดีที่แม่นหลักการขึ้นใจและสำรวจสังเกตตามแนวอริยสัจสี่อยู่เสมอฉันท่องไว้ว่าความอ้อยอิงอาวรณ์แม้สภาพอันประณีตสุ ข, ขุมก็คือตันหา